มันแทบแทบมีกอไผ่ตั้งเพิ่มทับทางขวางทางเนี่ยมีลมขวางเนี่ยเราก็ว่าบ่าแบบกดไปก็คองอยู่วอนมันทับอยู่นี่นะคําฝันนี้จริงไม่หืนเลยในวันนี้มีคําฝันที่เขาเป็นกับตึกนี้ไม่หืนเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันนั้นหลบฝันเป็นบางคนฝันก็ร้อน นอกจากทางดิบตังหมดแล้วก็ 2 ภาพทางมันมันก็ตันตันในความโลกตัดป่าแล้วอืมก็ผันนู่นทับทางความทางที่หินเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านึงถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะเลื้อยนี้มันไม่มีทางแล้ว มันต้องฝั่งนั้นมันทับอยู่ตรงนั้นติดหัวใจมันก็ติดตาใจแล้วมองดูถ้าท้องพันธุ์มันมีช่องแล้วเราจะหลวมตัวนี้เข้าไปตรงนี้มันพอจะไปได้นะเราจะหลวมบาทเราล้มหัวเรามีเพราะหัวมุดเข้าไปไม่ได้แล้วก็เอาดึงบาทไปนึงครับขายบาทดึงนึงตรงนี้มันได้อ่ะเป็นอย่างแต่ถ้าคุณก็ตื้นชะถ้าอยู่บ่ดอกนะ ตัวก็เกิดที่แล้วคํานั้นมันเหมือนกันมันก็ช้ํานี้กี่ช้ําไปกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกมันหน่วนอยู่เพราะคน 1 คนนั้นไม่มีที่จะมากเท่านั้นพยายามบืนกันมันบืนได้ก็บืนไปถึงที่นอนโอ้บืนไปจนพ้นได้ที พอค้นในลับอ่ะจับออกสายบาดดึงบาดมาตามหลังพอกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราต้องทําเวลาดีๆไม่ได้ลับเนี่ยคําฝันนี่ก็แปลให้ขึ้นมันเหมือนเราต้องทําอะไรด้วยตัวนั้นที่ไม่ลับนี้เหมือนเรารอดไปเวลาไม่ลับทีกดนั้นก็ใส่ข้างหน้าก่อนแล้วกันแล้วเราก็ ออถูกมันเลยทานเนื้อทานมันอะไรอะไรเกียจกะเกาไปนำปล่อยตัวของพ้นเวลาพอบาดดึงบาดนั้นเลยซ้ายบาดนั้นเลยพอพ้นเวลาพอมือไปจับขายบาทได้ลืมงานลืมงานทั้งนั้นน่ะดึงมาล่ะอ้าพ้นถึงไปได้แล้วมอง คืนทั้งหลายมันมันก็เป็นเป็นช่องเลยรวมตัวเราผลนี้เองมันก็แปลแต่ที่ว่าน้ําเกาะนั้นหุดน้ําขวดนึงมาปรากฏน่ะมันปรากฏไม่ต้องฝันปรากฏตัวมันมันมันปลาแบบนั้นมีคนนั้นมันไปประมาณสัก 1 เส้น 20 บาทเนี่ยประมาณนี้ที่ว่าปรากฏมันน้ํา โอ้โหมันมหาสมุทรนี่วงวามองมันอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลน่ะคงจะเห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบนี้ฝั่งหน้าไม่มีเลยผ้ากำบินผ้ากำน้ําติดกันเลยทาครอบน้ําโอ้โหนี่จะไปไหนนี่เป็นใจตอนนี้ก็น้ํามองมันหิววังวามุไม่นานเหมือนกับ เรื่องนี้ก็นิดถึงอะไรคือที่นี่ทําได้ท่านออกเขียนเขียนนี้หน่อยดูนี้นะนี่เรือเรือเข้ามาพี่ผดเลือนก็ไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเลือพักคําเลือนก็มาถึงกันเราคุยกับเปอมเรือมันก็มานี่พูดกับคนเลือว่า ว่าเอาไปต่ออะไรมันก็พูดกันว่าจะไปมื้อไปมื้อเลยแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะนี้นู่นตอนอยู่กลางน้ํากลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็กระโดดไปอืมพอดีเรือมาตกปุ๊บนั้นเราก็ลงเลยลงเลยเรือก็พับบึ๋งเลยนะมึงรู้มั้ยเนี่ยจําไม่ได้ว่าได้บอกเธอหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอก wow, จะทําไมเรือพาไปเลยตัวนั้นน่ะมีคนยกที่ขับเรือบึ๋งก็คําฝันก็เรือน่ะป่านนั้นก็มีมีประสบนี่มีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ํามันก็ท่วมกระทึมกับเรือเราที่เกิดขึ้นปองเกิดขึ้นขึ้นในสมุทรพุ่งๆไม่นาน ก็ถึงเกาะนั้นมันเป็นความฝันไม่นานมันเป็นเครื่องเทียมเพียงพอเรือกระทบปะทะกับกาขึ้นเลยมันก็ไม่สงสัยเลยไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอีกแล้วครับพอลงไปเรือก็พุขึ้นเลยหน้าเรือมันจะหันไปไหนอย่างนี้เหรอเหมือนกันเพื่อนก็ขึ้นใจขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขานึงนะเกาะเกาะนั้นมันเป็นเขาเลยนะ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปอย่างนี้พอมาเฮาจะนั่งบนเตียงบนแค่มีแต่เตียงเป็นแค่นี่ผับเหมือนป้างตําหนักตับๆอ้อทําไมมาได้อยู่วางนั้นน่ะฮะมาหามาได้โอยข้ามเรือเอาข้ามเรือแล้วข้ามเรือนั้นผู้นี่มาเฮานั่งตําหนักแล้วน่ะ มันยืนตะบันหม่านะแล้วก็ตําจ๊อกๆ2 3 จ๊อกเลยลืมอยู่ตัวโอ้มันโมโหมันปั่นมื้อนี้ไม่ได้แล้วสักหมกมันเมื่อลาจิมื้อนี้ไปมาได้อยู่ทําไมเพียงท่านยืนตะบันหม่าแล้วตําหม่าของทําจ๊อกนั้นน่ะมันตื่นแล้วแต่เราก็มากรองอื้อก็คนเด็ดไปแต่ละอันนะว่ามันสะเดงทุกความจากค่ําพอตะ มันตัดถึง 3 ท่ามหาสมุทรมหานิยมคำว่ามหาสมุทรก็เกี่ยวกับมหาสมุทรหมายถึงที่โลกจมหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมเข้าไปไม่ได้มาคิดในใจเรานี่ก็ยินได้พอเป็นข่าวว่าพอ มุ่งนะมีความเอาละปฏิบัติการเรียนเล่าตลอดเพราะมันมีชัยกันถ้าวันหลังนี้นะคือวันหลังแล้วเช้าคือวันเย็นวันหลังพัดกวดไปแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นธรรมดาธรรมะนี้เล่าเรื่องนี้ถวายท่านเหมือนท่านทำนายเสียเหมือนกับความที่เราคิดได้ พอเราเล่ามันถวายแล้วนะเอออย่าเบิ่งต้นเหลืองปลานะท่านมานะเอาไว้ดีนะท่านมานะเบิ่งต้นนี้กระเกียกกระตางจะเป็นกระตางนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่บอกแล้วครับจึงแล้วนะครับถอนท่านว่านี่นะสําคัญล้มเลี้ยงนี้ประกอบกับสิ่งให้ตามเอ้าเป็นก็เป็นตาปางเอามันรอดได้ก็ไผมันหวังต้องแก้คือคิดที่มีอุปสรรคเครื่องผิดขวางให้เองนะ คือสังขารทั้งนั้นเป็นขวัญเป็นน้ํามันขีดขวางทางเดินเราทั้งหมดเราเดินมันมีความเพียรของเราพยายามรอดสักพริกความพยายามความเพียรของเรานั่นเองพวกคนนั้นมันมันสะดวกมันดีนะหวังนะเนี่ยมันติดตรงมีความต้นเนี่ยเอาให้ดีนะกินๆด้วยล่ะแต่คําว่าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเสื่อมไม่ให้เป็นทุกข์นั้นก็ปล่อยกับไป พยายามเท่าไหร่เป็นปีจิตพอสวนเข้าได้บ้างเข้ากันวิธีได้บ้างปีนั้นอืมมันนั่นขึ้นน่ะมันต้องทุ่มกําลังไปทั้งเต็มที่นี่ทําเนี่ยลําบากมันจะเป็นกับตายเนี่ยท่านที่ว่าไม่ก็ภัยอันทางจิตจรงด้วยนั้นก็เรื่องของเปลี่ยน <c oughs> อือมันก็เหมือนกับโคปิ่นกําปวงยังกิ่งทับหัวลงไปอือแต่มันทําเหมือนเดิมทําไม่ตายเหมือนนั้นพอเฮาตระเลมีกิ่งเบลักกลับมาอีกปิ่นนี้อีกกําลังของกิ่งทับหัวลงไปอีกอ่ะลุกได้ฟื้นจากสลบไปกิ่งมันมาอีกเหมือนกันเนี่ยนี่มันตอนนี้มันได้เข้ากันได้นึงนะล่าสุดว่าเข้ากันได้ปั๊บก็มีกัน เพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เสมอไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันทุ่มเพราะตั้งจิตอีนี้ได้แล้วที่จิตได้จิตคือจิตนี้ไม่เคลื่อนแล้วจากลังนั้นมาครับคว้าสลัดลุ้มทุรลุ้มมันก็ยิ่งแน่ถึงเกินกําลังถึงขั้นของจิตชัดเกินไปเออต้องมีไม่เถื่องนั่นน่ะนะที่มันแน่แล้วนะเนี่ยต้องมันต้องอย่างนี้ไม่เถื่องเลยถ้าให้เถื่องเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เถื่องเนี่ยมันรู้มันถึงภพนี่ไม่กําเลอะ เนี่ยครั้งนี้ไม่รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่จริงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นทุกข์เองเนาะทําศาลอนามัติเป็นปีแล้วในระหว่างความทุกข์ความทรมานเพราะการติดผนึกอนึ่งทุกข์ความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างหนึ่งถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจทางสึกสึกก็เสื่อมกว่านี้พอให้ตายจะถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้หรอกนะ <th r bitches entry backwards> พอมันขึ้นมีดีทั้งนั้นมันมีต่อจากนั้นก็นั้นค่อยสมมุติสมมุติมาที่กันนั้นนะกันเรื่องมันขั้นบรรดากันนั้นทั้งทั้งมหาทิวัณยมไปเกาะนั้นกันนั้นเหมือนเตียวหมายถึงมหาทิมาวะ นี่ก็ขึ้นมาได้นี่นี่ไปทางวันทั้งคืนไปเองเลยเหมือนเหมือนเรือนพาไปเองพลุงปั้มนี่เรือก็พาไปเองนี่เราคิดแล้วมึงถึงมึงก็นึกก็ไม่ต้องบอกคนไทยเลยไอ้ท่าเรือมันก็เป็นปุ้มหลาวไปเลยนะมันไม่ไม่จะเรือกลับเลยนะพวกพายมันก็มันมันก็ไม่ไถมันอะไรก็ไม่รู้หรอกมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ มันพาเลื้อยไปเยอะพอมันเข้าท่าเข้าเกลียวมันได้ครับมันเป็นอย่างนั้นมันมันเรือพับพุ่งพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งงั้นไม่ทราบเขาขับหรือไม่ขับมันพอเป็นเครื่องหมายเทียบอย่างนี้เถอะมันก็พุ่งพุ่งไปเลยมันยังเป็นอุปสรรคเวลาข้ามหาตําหนิไปหาเกาะนั้นมันมันหมายถึงถ้ามีบรรดาที่มันก่อเดินแล้วตอนแบบนี้ป่ะหา นั้นไปในในประยัติ 1 เส้นก็คือสมาธิ 1 กัลยาณบริเวณไปตมไปนะก็เป็นปัญญามีดีดีดีก็มีอุปสรรคตรงไหนปัญญามันเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกําลังปัญญาไปตามเรื่องกําลังที่เหลื่อมมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาผิดเหลื่อมมันหมดไปไป อันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราต้องประจาทิฏฐังอยู่ที่ว่าบนบ้านเนี่ยเราอีฏฐามันเป็น 3 ข้อผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ให้ออกเรามันอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยถัยยตนะไม่ออกก็ตายจะดีกว่าแต่เราไม่เกาะด้วยผู้ใหญ่จะเป็นเดือดงงต้องหนีออกถ้าไม่คิดดูท่านมีสิทธิ์ทั้งเมตตาผมมากท่านจะรู้รามว่าไม่ผม คือกานนท์ท่านไปต่างจังหวัดท่านเหล่ากังศลาสมเด็จอืมก็สมเด็จหมายโรคที่โตกว่าแล้วเพราะตอนนั้นท่านเป็นนาคกวีสมเด็จเรานี่หมายโรคพระวินัยท่านคุณหล่าต้องเด่นได้ก่อนที่จะในปลายนี้เกียรอธิษฐานท่านเคยอธิษฐานจริงว่าพระสมุนีย้อนแล้วต่างสัจจอธิษฐานขอบูชาบรรดา เพราะแลนี้ว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะได้สําเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้ยืนนี้แสดงอย่างอธิการนะจะอยากอธิการถึงไม่เคยรู้เลยให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งหมายนั้นความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานนั่นเองเรามุ่งหมาย มันก็ได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังในความหมายทั้งหลายด้วยน่ะขอเจริญความปรารถนาขึ้นอย่างนี้มีเป็นอํานาจเนี่ยเราก็ได้ออกทีเราได้ออกด้วยครับสมดุลความหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์พอผู้ใดผูกมัดแต่งั้นๆก็ต้องออก ปัญหามันสําเร็จตามความมุ่งหมายก็ค่อนข้างฝังรูปแบบนั้นฉันเป็นข้อที่เสียว่าออกไปเรื่องระบบไหลไม่อยู่เหมือนกันแล้วทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ก็ให้แสดงใน 3 มาละทําประโยชน์นะนั่งวิชชาดูในทางไหนก็เอานี้ที่เราทํามาก็เอาครีเมนีนทางก็ฝันก็ก็เอานะถ้าเราทํามานี้ มันจะตื่นขึ้นมามันหลับไปมันก็ต้อง 6:00 น. มันหลับตอนนี้ฝันโอ้โหหอก็นครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพฯแต่ไม่ใช่กรุงเทพฯนครหลวงหลวงอะไรไม่รู้แหละมองที่สุขาธารอบๆคือเมืองนั้นน่ะขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุขาธานู่นน่ะหอของเมืองบงนะมองลงไป โอ้โหมันขวางฝั่งมันเหมือนกับว่าเมืองไทยอะไรทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นอย่างนั้นแหละแผ่นดินไทยทั้งแผ่นทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั่นทั้งนั้นแล้วบอลไปนี่โอ้ไอ้คือรามบ้านช่องมันเป็นเป็นหอพระศาสดามันไม่ใช่มีบ้านเป็นเรือนงั้นติดตาไปถึงทั้งทุกวันมองความสง่าผาเผยความ มีสีมีเสียงเรื่องเป็นพพพพมันนั่งว่าไอ้โลกกาลอันนี้มันมันก็แตกไปหนหนหนมันคือแสงสว่างความเปลวเพลาของเมืองนั้นน่ะอืมมองไปมันเหมือนกับทองคําทั้งแข่งเป็นวิญญาณเหมือนทองคําโหดตึกดรามดุรามมันก็เหมือนมันเป็นเหมือนทองคําธรรมชาติและนึง <ม. S 1> อย่างนี้กระต่ายมันมันไปถ่ายลงนี่รอบรอบที่ขนาดน้ํารอบที่ 3 รอบนะนี่นี่เหาะรอบตอนก่อนนี้เกลือมันก็เหาะเนาะถึง 3 รอบในอลงค์พอลงถึงพื้นก็ประดิดลุกกี่ตัวโอ้โหไปหยิบนึงสําเร็จอัศจรรย์เมืองงั้นด้วยแล้วเวลาเราถามว่าตอนนี้ก็ตัว อยู่กระไรมันมีเป็นอะไรที่มันสะปนหนักๆก็คือการโคดการถ่วนตัวขึ้นน้ําหมากมันยากมันเหมือนมีมันจะมาออกยากออกไปแล้วไม่ได้สมกับไม่หมายนี่พอออกขึ้นไปก็เหมาะสะดวกสบายตัวลอยไปเลยนะฮะเต็มเมืองนครหลวงมันเป็นนครหลวงพระทานเหมือนนครมันสว่างมากนั้นคุณยังไง แน่คราวนี้นี่ได้ออกแล้วนี่ต้องสําเร็จพอถึงค่ํามาก็ถ้าลาสําเร็จท่านก็เลยให้บึ้มนั่นเองอ่าออกมาถึงจะตามอยู่แล้วท่านจะไปบนต้นจนบานนะอ่าเราไปค้างอยู่ที่ตลาดอําเภอตลาดจังหวัดโคราชนี่แหละ ที่ทางนั้นท่านเดินมาเห็นบ่รอเนาะมารออันที่สถานนี้จะก็ว่าท่านจะเดินอยู่บนบังท่านขอคําถามนั้นท่านต่อคําถามคําถามใหม่แต่ละทีนี้มามาบอกคนให้กลับกรุงเทพฯเราก็ไม่เราก็จะถามท่านขอถามท่านหน่อย ยืนขึ้นออกจากคืนมันนั้นมันนี่เราก็มาไปพร้อมหน่อยมันบ้างเนี่ยเราทําบ่ได้แล้วมาหมู่พรรคๆมันต้องกลองเกื้อพูดได้ไม่สักกี่ประโยคก็เราไม่ตอบสักคําพออีรถไปก็เคลื่อนจากสถานีแล้วแล้วกันตกลงพ้นตัวยังบ่รอตัวเข้าใส่ลงไปมันผ่านไปแล้วเพราะมันไม่ล้างเปิดนี้คุณนายคุณชาย บุตรของมณีมีลักษณะมันเป็นตัวนั้นนี้ไปทําไปอยู่ทางห้องฝ่ายงั้นนี้ไอ้นั้นนี่นะอืมนี้ลักษณะนี้นี้มันเกี่ยวกับเรื่องการสังขรประชาชนต่างๆ มันเกี่ยวเอาเราอยู่เกี่ยวอะไรมันมีลืม 2530 มันบอกว่าประตูแต่เจ้ามีประตูปุริเจ้าขตุบออกนั่นฟังนะอืมกระทับนี่เป็นแท่งนี้เป็นเป็นอีกฝักนึงสูงขนาดเท่าลาแล้วจากพื้นนี่ไปกว้างความ เราก็ขอกุมไปไปถึงสูงน้ําก่อนถึงน้ําพระพุทธเจ้าข้างหลังอิทธิพลมันปรากฏทันทีพอขึ้นไปแล้วกลางบริลิททองคําทั้งองค์ทั้งองค์เรือนอลังองค์ธรรมคนองค์เท่าคนต้องเป็นเป็นกลุ่มกันเป็นกลุ่มของทองคําทั้งนั้นปะแล้วกัน เห็นท่านเมื่อน้ําอบน้ําหอมน้ําอะไรคือที่เป็นเครื่องบูชานะท่านเขาว่าของน้ําพระนี่ถึงมันก็มันก็รอบหมดนะที่ไปส่งน้ําพระพุทธเจ้าดีพรเป็นอย่างนี้ดีมันรอบมันทั่วถึงดูรวดเดียวไม่พอหลังกันนานๆแล้วก็ออก ตะนังก็สมมติกระถันแน่นครับสมมติมันไปพับลงตามไปประมาณสักมันต่ําเหมือนกันประมาณสักกว่าๆแล้วก็ลมแบบพานะนุมปานีนี่นะครับอือตบผมน้ํามนต์ให้ประชาชนด้วยน้ํามนต์จากตัวนี้มันออกถึงมือออกไปปานพอเรามือสั่งนั่งแต่ประชาชนแต่ประชาชนทั่วถึงอย่างนี้หมดเลยนี่ประชาชนครับ มันเกี่ยวอยู่มันแม่มาข้างล่างอือแล้วกําลังกําลังเลยมีหอนั้นมันล้ําแล้วมันดิ่งอยู่ประตาพุนนั่งเหมือนละหอบอยู่บนประตาพุนเนาะ 30 ปีนี่ออกไปนั้นมันจะไปเน้อสิกลับเลยบ่แม่โอ้จะกุลานี่อยู่ก่อนครับเช็คว่านี่สิกุลานี่นะว่าสิกลับ ไลน์มาแม่ครับอยู่บ้านคุณแม่ปทุมส่วนควรลดน้ําประชาคนเต็มแนวก็หาลงมาครับนี่ลูกแม่ปู่เสือกับน้องนี่น้อยพ่อปู่มันนั่งรออยู่มัน ก็เพาะบนตัวนี้หน้าบ้านเราขึ้นไปนั่งมันก็จะผ่อนจนแม่อะไรนั้นแต่มันคือพอลิ้นสุขป่วยมันก็จะมาพอตามนี้งี้กับลูกแม่ของเรานี้ทําเลยเอาถึงแม่หมดอย่างอย่างเดียวกันกันอยู่นี่พิจารณามันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจประธานน้ําของนี้ที่เป็นเครื่องเสียเนี่ยโหนนี่มันจะมีด้วยมาลาถาเราเกี่ยวข้องกัน อันนี้นะอังกฤษกินอะไรก็แล้วก็ผมทุกท่านจะถูกเห็นรู้จะยืนขอออมแล้วเราก็ช่วยได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเรื่องเรานะโอเคยืนแม้เราเรามาบวชเป็นแบบนี้ขึ้นเย็นท่านจะพาขึ้น ผมนั่งไปนิ่งๆเกี่ยวกันทั้งสอนประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใจวันนี้ตรงนั้นผมนั่งอยู่ผู้ที่ผู้ที่รุ่นหนานเราเราไม่พูดกันอย่างนี้นี่ผมก็แปลงนั่นขึ้นมามันก็ลําบากการมีบทเรื่องเราเราก็คิดว่าลําบากจริงมากนั่นน่ะจะพอดีกันก็แล้วถ้าว่ามันมันลําบากมันก็จะขี้เกลียด มันลําบากมันพอดีมีความเกียจไม่ได้มันต้องสู้กันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลําบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้บันมันต่อสู้บันยิ่งยากยิ่งลําบากเท่าไหร่มันยิ่งคิดตัวเก่งลับกันทีมันก็แปลกอย่างงี้เพราะฉะนั้นจึงข้าพูดว่าคนเราไม่ได้โม้ตลอดเวลานานเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดตัวเองได้งั้นหลับเวลานั้นมันหลับได้ มีแต่ไปพูดอยู่ด้วยอะไรตะนี้มันโนหน้าโหมไม่สงสัยคิดมันกําลังพึ่งผู้อยู่ด้วยด้วยตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมานี่พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้นํ้าบัวก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดว่าถึงเนื้อเป็นหลังของตัวเองเราว่าคนมีความลําบากบนอะไรเล่าทั้งปกปลุมทั้งฝันไม่เยอะทุกอย่างอืมมันก็ไม่เคยคิด โดยน่ะพอได้ทํากรรมโดยวิญญาณเพราะความตั้งใจนี่อะไรก็เพราะไม่ทําอะไรเพราะไม่จื่อ 1 กิเลสนี้ผ่านเข้ามาเรื่อยถ้าผิดมันผ่านเข้ามาเรื่อยอืมเผื่อทั้งตัวโดดเข้ามาหาแล้วกําบันปืนได้เลยนั่นโดยมันจะผิดเอาอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้นี้เนี่ยต้องมีอาวุธถ้าผิดผิดขึ้นมาปัญญาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยๆ เหมือนกับท่านเนี่ยที่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านทักเตือนในตัวนี้สายแล้วเป็นนั้นมันเต็มไปแต่คนเดียวอยู่กับคนเดียวทําให้ดูสบายเวลาพิจารณาอะไรเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ตึงกับเป็นตายแล้วตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดทีละเป็นกรอบเป็นมุมนั่นแหละที่ดูเรื่องทุกขเวทนามันข้อในเวลานั่งมากๆขึ้นมันก็เริ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใคร ถ้าให้เก่งนอมนี่มันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่มัคคัมไปตั้งตลอดดุ้นเป็นเวลา 13:00 น. นะฮะนั่งเป็นคืนบางวันนี้ถึงจะเป็นถึงจะได้บอกไปแบบขอกับผู้ฝากผมโดดไปเลยพออยู่กับกลุ่มเพื่อนความที่คนยังยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงยังรู้นะทีนี้เกี่ยวกับครูกับอาจารย์เพราะนั้นอยู่กับคนอเมริกันไม่มันไม่นำโมแล้วท่านอาจารย์นั้นก็อธิษฐานไม่ทัก สมัครในนวนคําคํามันหนึ่งในสงฆ์ที่ 3 เดชเยือนไว้แต่วันไหนก็นั่งสมาธิตลอดรุ่งรวมคําวันกับค่ําวันนั้นเท่านั้นนอกนั้นไม่ทํามีความต้านทึงบังคับกับของต่อเวลาความเปลี่ยนมันถึงถึงที่นี้แล้วเป็นกอกให้รู้ที่จะไต่ตถามนั่นแหละปัญญามันออกคนนั้นจนกอกนี้ ทุกขเวทนาก็เข้ามาเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันป่าวกันเราจะท่านเสียสู้ทุกข์ไปได้ทั้งจิตจะปนปะวายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นในขันธ์จิตก็วุ่นวายโดยเปิดจิตเวทนาทั้งนั้นต้องบังคับทั้ง 2 ด้านตีถ้าจิต 2 ด้านนี่นะทุกขเวทนามากเท่าไหร่จิตมันก็กระเพื้องหินมันดิ้นมหาการออกจับให้ออกแบบโลกออกกัน เพราะปัญหาทางแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์ความนี่เอาหาทางออกแบบทางนั้นแหละมันให้สติปัญญาทุกข์มากเท่าไหร่มันยิ่งหมุนสีสีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงนั้นอ่ะนั่งทําไม่รู้ว่าเอาตายมาถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดหนามอืม Thang, thang, thang, thoi lõng, maheni. Bơ kong nao, lõng lõng tạp nám, tụt thang või nõi. Lõng lõng, thoi lõng, maheni. Tanpa kui kong nao, nặng lõu, hõm või khuôn maa, kiep, kiep, kiep, või kong nao, lõng lõng, sop. Tho rõp nõa, mõn ka lõn. Nặn nõi, kun hứng ta chặt. Ketai kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui kui เวทนาก็เห็นได้อย่างครับเพียงว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการประกรรมทั้งนั้นต่างๆมีวิบากอยู่ในจิตเป็นยังไง 3 อย่างถ้าทุกอย่างนั้นมันก็รวมตัวเนี่ยปล่อยอันนี้มาฟังด้วยกันนะอืมปัญญาวินสมถะรู้ปัญญาไปอีกนานหมดอ่ะทุกเวทนาครับครับ จิตก็พึงสร้างบังคับของคนอยู่ทุกคนตรงนั้นจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอบมีความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาหารมากทีเดียวมันจึงที่เป็นพึงสร้างให้เอากันตรงนั้นในขณะนั้นท่านท่านทุกขเวทนาเอาเป็นจิตหมอบนี่ก็หาอาหาร ว่าสมิท่านต้วนไปมาระดับนี้ก็มีแต่เอาทีนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากกับบางคนเนี่ยเพราะพี่เหลิมน่ะเคยทําได้คลายง่ายนี่ไม่ต้องยากมันทุกคนว่ามันเป็นก็เป็นตายตั้งให้ดีคิดยาววันอย่าไว้อย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีศาละแก่น 3 มีคุณค่าอะไรน่ะ นอกจากตัวรถนี้ที่จะจุดเด็ดออกได้มั่งน้อยก็แสดงคุณค่าขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยได้เห็นที่เคยผ่านมาก็มีอะไรซะเหมือนกับดวงนี้เลยนี่เป็นของเพลินทันมากประชามนถึงจะอําเภอถึงทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเหมือนอีกมันพิจารณาลงก็ทันแล้วมันก็ปลอดก่อนเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้ คือกางหน้ามันก็ก้าวขาพันธุ์ก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเลื้อยกางก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยเรื่อยๆๆเหมือนการขี่เต้าก้าวนี้ก้าวต่อข้างหลังไปเลยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยอย่างไรปล่อยไปปล่อยนี่ที่ปล่อยก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่สาระอะไรเราไม่ต้องขัดลึกๆเหมือนนี้จะ มันมาตั้งแต่แต่ลุงเอากาแฟมาซื้อกับเก๋งแก่นนั้นก็ไม่ถ่าเอาออกก็มีประโยชน์อะไรพากันออกไปเหลือแต่แก่นนั้นมัวนี่มีความทุกข์นี่ความทุกข์อันนี้มันไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์นวตตะที่เหมือนเกิดหนุ่มตายเวียนไปเวียนมาเกิดพบไหนท่านท่านใดมันก็ต้องหาทางทิศไปตามขั้นภูมิ มันไม่พบทางนั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะมันจะมีทุกข์ได้เหรอนะนอกจากนี้จะตัดทั้งนั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงเมื่อไหร่อืมเราพบได้ท่านอะไรก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในพบนั้นนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวครับกระเพ๋งก็แตกกับกรรมมันเองมันจะไปเลือกอร่อยที่ไหน นี่เลยพอล้วนดูจะนี้แต่นี้ทําได้นั่นอืมไม่ลําบากมากแต่เราไม่เคยจะคิดท้อคิดถอยเกะกะเกะใดยั่วอืมอะไรตําหนิตัวเองด้านนอกจะได้ชมแหม่มันทําได้คือเดี๋ยวนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้จะทําอย่างแต่ก่อนมันเป็นตายเลยคือนั่งตลอดอยู่อย่างนี้ มันเหมือนเหมือนมันคืนอยู่เดียวแล้วมันต้อง 5 คูณ 10 คืนเลยแต่มันก็ติดกันเล่นคืนจนเป็น 2 คืนบ้าง 3 คืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเย็นอาทิตย์นึงบ้างเอานี่ถึงต้องคิดมันแนวที่จริงๆที่นี่ก็ค่อยเดินไปด้วยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักนี่พ่อแม่วิจารณ์ท่านเตรียมเพราะท่านเราสมเห็นว่าเราเป็นคนมี หนวดโลดผลบุญนั้นการแสดงท่านที่แสดงมาธรรมดาไม่น่าอยากเกรงยักษ์ไม่ให้มากเหลียวจะทําให้คุณสื่อสื่อน้อยอ่อนเลยท่านดูเกียดๆงั้นกรรมมามาปล้นคึกคนองโตนบาคุณโลดเต็มต้องประมาณมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที ที่ต้องพลมังกรไม่ควรให้มันมียากเหมือนนี้เลยพัฒนาซึ่งกว่ามันอ่อนอำนาจลดอ่อนกําลังลงเยอะประกอบการฝึกนำเราก็กอดใหม่มันจึงยากเป็นการดำเนินงานแล้วลบคอมเมนต์ทรัมันทรัมันประหาไปหลายเพราะมันทําการดำเนินงานแล้ว มันกรรมรักษากรรมหมดระวังครับต้องดูมันไปเวลาต้องการที่ท่านกินอะไรก็ท่านน่ะมีกิจกรรมมีทุกคนออกมันผักผลหมดเต็มก็เอามันอย่างนั้นตัดทั้งทั้งอาหารนี่มีกลิ่นความไงใช่ป่ะอาหารทั้ง 2 แยก 2 อย่างแล้วอาหารเกี่ยวกับทั้งมีอาหารที่เป็นผักนี่ ตาพนมังะนิปูงพูดติดๆกันท่านนั้นท่านก็มาพูดถึงที่นั่งโอเคตลอดรุ่งบ่ายบอดนอกถวายพอนั่งตลอดรุ่งอันไหนล่ะวันหลังต้องไปหลังถวายท่านพอมีของประจำเราไม่เคยทราบนั่งตลอดรุ่งเอาเป็นอาการคําว่าที่ไหนเนื่องเกิดของเหงาทุกคืนไม่เคยทราบเลยเพราะเราถึงตอนปลาย เพราะละดับเห็นของสั่นนั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่ถึงความเป็นปัญญาขนาดนั้นนี่เกิดความเห็นกันด้วยปัญญาเวลาตรงต่อนี้มีมีความสั่นสามารถที่จะปลุกคนสิ่งที่เป็นสารัตถ์ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองคือสารัตถ์อมตะทั้งผิดนี่จิตถึงธรรมก็จะเหลือร่องต้องบอกว่านิรเทศมันไม่อยู่กับตายนี่ อันนี้ไม่ใช่การงมผืนเพิ่มเติมร่างกายให้เพิ่มเติมครับเอาบาดพูดเมื่อเวลาหนักคนหักมันควรที่จะค่อนลักค่อนเบามันไปยิ่งไม่ทําให้เสียความเพียรเราก็ทําไปอย่างนั้นให้หนักที่ทุกเวลาตามมาในที่เวลา <c oughs> การกาพวกทั้งเพราะวิริปิริจไม่อยู่กับกายจิตนี้ก็ผิดเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการพยุงแล้วก็ผ่อนผันการกับความเพียรประเภทนั้นไม่พอหลอมผสมในพุทธภัณฑ์เราก็เข้าใจทําให้คุณมากคุณครับเพราะตัวเราจะอ่อนแก่จากนั้นถึงกราบนมแล้วเราก็มักเคยนั่งตลอดดึกนี้นะ<ถ><ง> นั่งดาขนาด 18 ชั่วโมงนะ 6:00 น. กระทั่งถึง 4:00 น. คือเป็นธรรมดาแต่ที่นี่ไม่เคยนั่งตลอดเลยเหมือนกันเพราะนั้นพ่อนั้นปีนท์เอาไม่ได้นะอย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องปัญหาอย่างงี้นอนไม่นอนนั่งเนี่ยนั่งให้เต็มที่ที่ที่อย่างงี้งานงานช่วงงานมากที่งานน่ะ มันท่านปัญญามีณาธิคิดลึกๆว่าคือนั้นแต่ว่ามีช่องทางไปจักมากเป็นงานที่ใหญ่ที่รู้จักงานรู้จักวิธีธรรมเป็นอย่างมันยากนั้นน่ะเอารู้จักวิธีธรรมทั้งเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิที่เรามันรู้จักวิธีเลยบืนตายไปแล้วเจตนาต่างๆนครรู้เพราะปัญญาญาณนําหนทางเราก็เคยเข้าใจกันมา เนี่ยทั้งๆนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนได้ที่จะนำเหตุผลเทียบเียงกันถ้าถึงปัจจุบันแล้วถึงนั้นมันก็ตกไปตกไปเรื่อยๆมันก็เถี่ยวความมั่นคงไปเพราะปัญญาพิจารณาตลอดมันยิ่งมีความแกร่งเคร่ามีความเสด็จฉลับนี่ปัญญาก็เพียงนิดๆธรรมดา 4 ตัวเองด้วยตัวเดียวอ่ะอัตโนมัติถึงแม้ทั้งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมด ผ่านมาปัญหาไปเรียนที่ปัญญาที่หมู่ตัวตัวนั้นน่ะคือมาหรือที่มาอันนั้นถ้าเราจะพูดกําลับทําและเที่ยบต่อทําบริการเนี่ยผมน้องมันจะพูดเป็นการอัดเยอมมากใครถึงใครทําไปเพราะผมก็ปัญญาธนมานมากทั้งพอแล้วกับกลุ่มน้องเพราะผมไม่ได้ถือตั้งบัญชีจริงเป็นยังไงก็พอไปจับอยู่กับใจน้องเลยนี่พอมันถามในเรื่องแต่ว่าทีก็ติมันก็ไม่ถูก ตัวมึงปัญญามึงก็มีท่านมึงเพราะมันจะถือว่าเป็นปัญญาเป็นต้นๆทั้งหมดนักจิตมึงถึงถือว่าเป็นตัวนี้ทั้งหมดไม่จะไปถือว่าจิตปัญญาของมึงมันหล่างไปเป็นหลักธรรมฐานแล้วเป็นอย่างนั้นว่านี้สติก็ว่าเป็นนั้นก็มีปัญญาก็ว่าไปมันไม่มีมันไม่ถึงไม่ถูกที่ 2 ปฏิกิริยาเพราะสติก็เป็นปฏิกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นปฏิกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแค่นี้นะนามที่เด็ดขึ้นไปแล้ว นั่นแหละนี่น่ะเป็นเป็นเครื่องอยู่ทําสําหรับทายทําประโยชน์พอมเป็นสมุทรด้วยกันทุกสมุทรไทยโลดนั่งมันเป็นสมุทรทั้งนั้นอืมเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการเดินย่าทุกเหยียบทุกนั่งนี่หรือถอนตรงประเทศไทยได้มั้ยเนี่ยนี้โลดเมื่อถอนได้จิตมีความสงบ ไปมากน้อยมันความงามดับทุกข์มันก็ดับไปเรื่อยๆกัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดหน้ามันน้อยเพียงใดมันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะพบที่ซึ่งเป็นสารที่ซึ่งเกิดทุกข์มันดับกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับทั้งไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสทุกข์ภาวะนี้ใจมัน ดับหมดมากับปัญหาไปสติปัญญาที่โหมมรรคสมาธิที่ๆที่พอที่ทําสมาธิพออย่างนี้ทีสติกับปัญญาที่ทํางานเนี่ยภิกษุก็หมดปัญหาไปนมน้อมคือคืออย่างที่เคยเคยสมุนทาอะไรหือ ต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ค่าสู้เพราะค่าตึกมันลาบไปแล้วก็จะประกาศสู้กันต่อสู้คนต่างเกี่ยวอะไรต่างอย่างจริงอยู่นั่นที่เสือเลยเตี้ยก็ถึงมาบอกนี่ต่อสู้กับเมฆกับหมัดต่อสู้กับหมัดกับตุ่นต่างมันก็เกี่ยวอะไรอืมอืมยังไม่อยากคิดเลยอ่ะนอกจากคนมีเดือดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องทั้งหมดที่ถูกเผาเผาหาหรือต้องร้องทางทั้งพุทธการ ดังทาทกปาระบุเป็นต้นต้องหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นมหาปารติปารติกับอานิปัจจินิหรือว่าทั้งๆที่ท่านปิดปากห้ามแล้วถ้าท่านระบุท่านเป็นมหันต์ก็เป็นแน่ๆนี้เรียกว่ากระตุ้นยกสมุนิษุรรับผัดคนผู้ครองน้องโหงผู้สมุนิษัยโหงไม่ต้องมีฐานะ พระทะวามนุษย์นั้นเธอเป็นปู่มีสติอันตะบุนแล้วไม่อยู่ในภายที่จะแผ่ทางท้องร้องอย่างนี้สิครับเพราะว่าพี่ปู่ตะบุนแล้วพี่หมาก็มากินบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากปู่มุนนี้โดยประการทั้งป่ะครับการท้องร้องอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติหาประมาณไม่ได้คุณน่ะธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวเองมันเท่ากันมั้ยน่ะคุณงานคุณนี้ให้ให้ดำลาบอก ธรรมนี้คือสติเป็นสติวินัยนั้นว่าเขานี่มารับว่าเป็นสติวินัยเพราะอนัตตะเป็นถึงมีการต้องน้อมมาเป็นถึงสติวินัยก็เป็นถึงน้อมต้านทานกันปลดปลื้องเอาน้อมทําคณานิทานนั้นด้วยสตินี้ถ้าไม่มีอะไรที่สมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นท่านก็ไม่เรียกว่าธรรมะยกขึ้นมา แม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารอื่นบริท่านไม่ได้สําคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีกติและความขาดกติถ้าอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมถ้าเราจะว่าท่านมีสตินี่ก็พูดไม่ถูกถ้าว่าท่านเถอจะสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่ดีในวิสัยอันนี้มันเหมือนกับอันอย่างเงี้ย เอานี้ปฏิบัติเลยการพูดเรื่องนี้ไม่ได้น้องเราไปสามัคคีมาปฏิปทาอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างอื่นที่หมอสมุห์อยู่กับการฆ่าที่เด็ดทุกประเภทให้ขึ้นไปจัดใส่ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผมยอดสอนกันมานั้นนี่ยอดมัชฌิมาฟังดิมีเดียวมีเหลี่ยมปะไหนมีต้นมีปลายอยู่ไหนทําการสําหรับยาหมอสมุห์คันแก้พิษเด็ดทุกประเภทนั้นเองถ้าเรานํามาแก้อยู่ไหนพิษ มันก็ต้องตายคนเดียวท่านบุพการีท่านบุตะการีที่อยู่ในประเทศเดียวกันกับครั้งกระทําเครื่องมือแก้กิเลสกับประเทศเดียวกันขอให้ความเปลี่ยนแปลงเพศเดียวกันเถอะสําคัญด้วยความเปลี่ยนที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้วิริยะมันมันดีอ่ะหมดจะดีขนาดไหนก็จะต้องมันยกขึ้นไป ท่านนั้นก็ประโยชน์มันทําให้ความเปลี่ยนหมุนมันไปความทุกข์เพราะความเปลี่ยนนี้ไม่ได้เป็นเครื่องกดทั่วจิตใจนั้นรักความลำบากอยู่บนคิดนอกก็มีส่วนน้ําใจนี้แม้จะลำบากไปลำบากในระหว่างต่อสู้กันไปในไปอืมไม่พบชกมวยทําบริธีก็ถึงขั้นสรุปสุดสายอย่างนี้ ธรรมะนั้นก็หาไม่ตอบส่วนนี้นี้เราก็เป็นนักรบอยู่ที่สถาพณ์ไม่เคยทรงทําศรให้ทุกภาคกายบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยออกได้ให้ล้นมาหลายตาทอดที่เหล่ทั้งหานไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมด นั่งโดยที่เด็ดตารอบข้างยืนอยู่ที่เด็ดตารอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการตั้งถามด้วยการคอนเทียนเดินผิวหลีนอนที่กระดี่เว้นกระดาษทั้งทั้งที่เดิมไปในนั้นที่เรียกว่ามองกันทางที่เป็นเป็นเปลือยไปวันที่ไหนเหยียบที่ภาคประวัติเด็ดแต่ความนี้เหยียบลงที่เหยียบละมาที่ 65 พบทางเหล่ายิ่งมากผลที่เด็ดที่ที่เด็ดค่าแล้ว มันเกิดให้ตาให้เกิดให้ตานี้คือพวกที่ทำมาแล้วแล้วนับได้หรือเปล่าเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวนี่พวกนั้นพวกอื่นมันก็นับไม่ได้เยอะมากมั้ยอืมแม้กิเลสมันไม่ได้มากขนาดนั้นมันอยู่ในหัวใจเราเราทำไงจะข้ามได้ล่ะมันตาเถื่อนอยู่ตามประวัติเส้นทางเพราะความเถื่อนแม้อยู่บ่ต้องตามนี้ก็อยู่บ่คิดค่ากิเลสนั้นกิเลสหมดไปแล้วหมดเท่านั้นน่ะพุทธ ธรรมะนั้นคือความมีแต่ทุกข์ในขันธ์ทั้งนั้นคุณะขันธ์ที่รับทราบนี้ถือที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนด้วยความบอบช้ํามันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของของมูลเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเลยผมไม่จะไปเหยียบย่ําทํานายจิตของพระฐานได้ไงมันก็มีจิตใจอย่างนี้ วินิจฉัยว่าพาละเขาเป็นจักขังภาคันธาภาคันธาวิภาวะหนักนะในตรงนี้ก็ได้คันนี้ภาวะคันนี้น่ะถ้าเกิดจะนาก็เห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาทําเดินก็ก็เป็นภาระอันหนึ่งเป็นภาระเวรันธรรธาประเภทนี้คือเอาจิตไปผ่านคนลงไปแล้วเป็นภาระเวรันธรรธาประเภทนี้คือต้องมีความรับผิดชอบมีตลอดตั้งแต่ตั้งถึงวัยอวสานในชีวิตหิภากินทางนอนทางขับตาผ่านพระโดยนั้นไปนี้ ควรแยกอุปสรรคถ้าจึงขันตะครองขันเล่นกับขันรักษาขันนักติดชอบขันทั้งนั้นเธอจิตไม่มีมันมีจะไปได้ไปยุ่งไปเหยงมุ่นวาดกันได้ดับตาจิตจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้มาระวังไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังถ้าเราก็ฟังอืมการฟังกันรับภาพจากการฟังขึ้น ถ้าถูกบุญอย่างนั้นมันก็เป็นสมมุติมันตาปลุกขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สิทธิ์นั้นตาปลุกขึ้นมาทีนั้นดับไปความรักลูกก็ดับภาพมันก็ดับไปดับไปดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีเวลาที่จะคืนภาพเข้าไปเหยียบย่ําทางจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นโดยเนี่ยมีได้นี้นิโรธพาราหะด้วยความรับผิดชอบมาถึงกันนี้แล้วพิจารณา อ๋อแต่ศพาลายีอันนี้ได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นศรหิมโพธเพื่อประกอบผรอุปธรรมตอนนี้หนักถึงหนักในขันธ์หิมโพธทั้ง 5 นั้นเหมือนพราหูตั้งแต่บรรทาขันธ์ 5 ทั้ง 5 มันหนักนะพวกเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันธ์ 5 นี่มันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกับพวกเขาซะอีกนะศรหิมโพธได้พิจารณาแยกเยอะดึงส่วนต่างๆของมันของขันธ์มันนี่ มีเอ่อน่ะมีนาลีก็ได้มีศรัทธาอะไรแล้วก็ต้องหาไปแบกไปหามันของมีศรัทธาที่ใครแล้วก็เลยกล้าทั้งของหาศรัทธามาได้ด้วยเนี่ยมีนาลีพิจารณาหญิงชัดตามความจริงนะหญิงก็ถอนตัวออกมาดูถอนตัวออกมาโดยลําดับแล้วอีกจะแสดงความเมตตารักขึ้นมาโดยลําดับจากการขันธ์นิพพานคือลําดับมาแล้วนั่นก็ถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาศรัทธา มันเป็นภาระเวรตั้งแต่ขั้นขั้นประพฤติบาทพอพรรณมาแล้วก็เป็นภาระเวรตั้งแต่ขั้นทางเพื่อความรับผิดชอบกระหล่ำนั้นก็รับผิดชอบใครจะมานั้นท่านไปทางเดินสังคมนําสมัครพัฒนาเพื่อเป็นนิหาระธรรมอริยธรรมพัฒนาเป็นจุดปรับจัดปังไประหว่างขั้นนี้แล้วพอหมดพอถึง อันนี้ก็เป็นที่หาธรรมอธิษฐานเป็นความอยู่ระหว่างในระหว่างพันธะติดพอนี้หมดปัญหาไปแล้วพอนี้สภาวะตอนไปแล้วที่นี่หมดธัมมะภราโยตังตกขันธ์ฐานอันเป็นกองสมมุติใดรอบตัวเราเราแปดถามเรื่องราวนี้หมดไปแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งสิ้นตาเราจะเห็นหรือไม่ถูกใหม่คิดให้เสียเวลาถ้าความมันเถอะบนฝึกเถอะอิติ กะบิเตเนี่ยเวลามันอยู่กับตัวแท้ๆมันอยู่กับตัวตัวไม่ชู 19 ที่ชื่อไอ้ตัวตกๆๆเงานี่มันจะเริ่มงานของเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสําคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงปรสิตของเราให้เห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องถามถามว่าทําไมหรือนิพพานสูญยังไงหรือถึงยังไงแล้วเกิดตาสูญถามปรมา บวชอยู่ทั้งค้างตัวกันอีกคนเราเนี่ยทําให้ 5 ตัวได้อีกถึงแม้ถึงไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตแน่เมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิของความรู้แล้วทําไมจิตจะไปสงสัยเรื่องอื่นอีกพอที่จะมาคิดมาปุ๋มมันมันพอทําไม่ได้อืมมันต่างกันต่างกันเวลามันจะการความเย็นสงบนี่ก็ กุบาท่านนั้นก็ไม่เหมือนกันนะผมมานี่อืมก็มาดูถูกกุบากันหมายเพราะผมก็เคยเห็นพี่น้องมาเหมือนกันถ้าอุปาทานก็หมายถ้าฟังเทศน์ไม่ถึงกันไม่อยากอยู่อืมหรือประการหนึ่งแค่คําพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอืมมันมันก็ทําให้เถลนตาเถลนกันเหมือนกันเมื่อเวลานั้นจะหมอรากกับพี่สาวทั้งนั้นกัน เพราะแม้เขาจะมั่งเรานี่มันหมอบรากหมดเลยทั้งท่านกิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่พานไม่ได้หาที่เยื้องไม่ได้แล้วพอตังค์ทําเครื่องยันปุ๊บตรงนี้น่ะครูทางทั้งเหล่าเนี่ยอืมได้ฉลัดยึดจะท้อในที่เหียดทั้งโคนทั้งหลักทั้งทาง Tâm ความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอเข้ามาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นจริง Tamam. ของผู้มาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจตามท่านถึงนั้นผู้ฟังอบถึงใดถึงใจถึงฉันเพราะผู้สอนสอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจริงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้อย่าหมอหน้าแลก็หมอพูดสิ่งที่รู้แล้วอย่างนั้นรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวนี้จะปิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะ นะภูติชาติท่านสอนพระโลกที่ว่า 8 มือ 4 ภัตตะมรรคนั้นเพียงพอประมาณเท่านั้นแหละทั้งที่ได้พูดไว้ในเอ่อเรื่องการมันปัญหานั้นเกี่ยวกับพื้นฤทธิ์น่ะเหมือนน้ําในตุ่มแล้วยอมรับทันทีเพราะทําเกิดเรื่อยๆยืนเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดทําไมไม่ตามเสียอย่างเงี้ยต่างๆมีประมาณเหมือนกัน เอานั้นมาอาจารย์ทุกหมดโอ้โหเฉพาะแปลงสมัครนี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านกันดูว่าเต็มประมาณบูรณะนะมาดูว่าพอประมาณตั้งกันหมดทั้งเหลือเหลือกําลังนะบูรณะปฏิมาวันนี้ก็คือประเทศพูดกับพูดไปครับธรรมยาอธิบายเปิ้นขึ้นมีข้อก็